สายวัดป่าเราจะไม่รับเงินไม่จับไม่เป็นเจ้าของเงินเราอยู่ได้อย่างประหยัดที่สุด จากปั จ, จัจสี่เท่าที่ญาติโยมทําบุญกับเราโดยที่เราไม่ได้ร้องขออย่างไรก็ตามนานๆครั้งเราก็อาจจะได้รับของพิเศษพิเศษจากญาติโยมอาตมาได้ช่วยชายไทยคนหนึ่งเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวของเขา ด้วยความกระตันญูเขาบอกอาตมาว่าท่านครับกระผมอยากถวายของอะไรสักอย่างให้ท่านใช้ส่วนตัวกระผมมีปัจจัยห0 0ร้ท่านการุณาบอกกระผมว่าท่านต้องการอะไรเมื่ออาตมาไม่สามารถคิดได้ในทันทีว่าอาตมาจำเป็นต้องใช้อะไรบ้างและเขาจำเป็นต้องรีบไป เราจึงตกลงกันว่าอาตมาจะบอกเขาในวันรุ่งขึ้นเมื่อเขากลับมาที่วัดก่อนหน้าที่เรื่องนี้จะเกิดขึ้นอาตมาเป็นพระผู้น้อยที่มีความสุขบัดนี้อาตมาเริ่มไตรตรองว่าอาตมาต้องการอะไรอาตมาเขียนรายการแล้วรายการนั้นก็เริ่มยาวขึ้น ในไม่ช้าปัจจัย500ร้อบาทก็ไม่เพียงพอเสแล้วแต่มันจังยากเสละเกินที่จะตัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกจากรายการของที่ต้องการความต้องการพุดขึ้นมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ไม่นานก็กลายเป็นความจำเป็นสุดๆและรายการก็ยังคงยาวขึ้นยาวขึ้นจนบัดนี้เงินสัก5000ันบาทก็ไม่เพียงพอเสแล้ว เมื่อรู้ชัดว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นอาตมาจึงโยนรายการสิ่งของที่ต้องการทิ้งเสียหวันรุ่งขึ้นอาตมาบอกโยมผู้ประวารณาว่าให้ทำบุญเงินห0 0ร้อยบาทนี้สำหรับการก่อสร้างของวัดหรืออะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์อาตมาไม่ต้องการอะไร สิ่งที่อาตมาต้องการยิ่งกว่าสิ่งใดคือความสันโดษพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ของเมื่อวานนี้เมื่ออาตมาไม่มีเงินและไม่มีโอกาสที่จะได้อะไรเมื่อนั้นแหละเป็นช่วงเวลาที่ความปรารถนาทั้งหมดของอาตมาเต็มอิ่มความต้องการย่อมไม่มีที่สิ้นสุด เงินสักพันล้านบาทหรือแม้แต่พันล้านดอลลาร์ก็ยังไม่พอแต่การเป็นอิสระจากความต้องการนั้นมีจุดสิ้นสุดนั่นคือเมื่อเรารู้ตัวว่าเราไม่ขาดอะไรสักอย่างเมื่อเรามีความพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่เท่านั้นเราจึงจะรู้จักคำว่าพอ